พอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอเยโตขีละสูตรมาโดยลำดับมาถึงช่วงที่ได้ทรงแสดงถึงการที่บุคคลสามารถข้าจัดตะปูตรึงจิตกับเครื่องผูกพันจิต ออกไปได้ก็หมายความว่าเป็นผลมาจากการปฏิบัติลำหลักของอริยมรรคยงแปดประการหรือศีลสมาธิปัญญาเม่อจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกกระปูตรงึงจิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่ หรือว่าเป็นความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรศกขาแล้วเป็นคนมักโกรธงุดหงิดโกรธง่ายกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยก็โกรธละมันสภาพจิตเหล่านี้อาการที่เด่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอาการของโมหะคือความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจ ความไม่มั่นใจแล้วกับอาการข้อโทษสระออซึ่งทั้งสองข้อนั้นเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่ามีโทษมากว่านั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายช้าด้วยโทษสทะมีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วทีนี้พอมาถึงเครื่องผูกพันจิต ซึ่งวัตถิยิงก็เป็นอาการของกิเลสล้วก็เน้นหนักไปในด้านของภกราา่ากรโลภะเพราะกิเลสประเภทนี้นั้นจะยึดเหนี่ยวจิตของมนุษย์เอาไว้ได้สายด้วยความเสน่หาเยื่อใยอันไลถึงสิ่งที่ตนพอใจซึ่งได้แตกดับไปแล้ว ในอดีตเดวมันแตกดับเฉพาะคนเฉพาะสัตว์เฉพาะสิ่งเหล่านั้นแต่ความรู้สึกผูกพันยังมีอยู่ภายในจิตก็จะมีการโหยหาอะไรโดยจึงพบว่าบางครั้งบางคราวเวลาเราพูดถึงคนสัตว์สิ่งอันเป็นที่รักซึ่งทรากจากไปคนเป็นจานวนไม่น้อยที่ทำใจไม่ได้แล้วก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้ มีน้ำตาไหลแล้วถ้าใครพูดไปเพิ่มเติมความรู้สึกขึ้นเนี่ยมาจะร้องให้มากยิ่งขึ้ น, นแต่ว่าร้องไปร้องมาเขาปรากฏว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแต่ว่ากลับเพิ่มปัญหาในขณะเดียวกันความรู้สึกติ่ปักใจฝังใจในอารมณ์หล่านั้น ม่จะก่อให้เกิดการไฝ่พว้าปรารถนาที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นที่จะเห็นที่จะสัมผัสต่อไปในอนาคตมันก็ก่อให้เกิดการรอคอยการความกระสันหาอารมณ์เหล่านั้นเกิด แ, แต่ที่จริงแล้วอย่างหนึ่งดับไปแล้วอย่างหนึ่งยังไม่เกิดเลยมันก็กลายเป็นโอกาสที่จะรู้สึกว่าวะเวโดดเดี่ยวเดียวดายถูกทอดทิ้งเนี่ย มันจะมีได้ง่ายทีนี้ในกรณีที่เกิดมีการตอบสนองก็จะเกิดความกำนัดเพืิดเพลิพนชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นเรื่องการต่างๆที่เราลองสังเกตว่าเหตุการณ์ี้ที่จริงมันเหมือนกันนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ เป็นเรื่องไม่ถึงก็ไปเห็นเองทีเดียวแต่ว่าก็รับผู้เหตุการณ์ระยะใกล้ๆก็มีคนที่ประสบเหตุการณ์เขามาเล่าให้ฟังก็อยู่ที่เหมืองแร่แห่งหนึ่งทางจังหวัดพักใต้มีคนก็ขุดแร่แร่แรดีบุกนะฮะ ท, ที่มันอยู่ที่ดิน แ้วขุดไปขุดมาก็เจอสายแร่อย่างแรงคนตอนนี้ก็ใช้ชแฉลงใช้จอบใชแ้แฉลงแทงแล้วก็จอบของฝันเห็นสายแร่ ก, ก็ะไหลดำไปเลยนม่เกิด ค, ความโลภอะ่ะเจาะทะลุทะลวงเข้าไปจนถึงเข้าไปใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ดินมันก็พังลงไปเรื่อย que. พอนถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้นไม้ลั่นน่ะมันมีคราวจะคนคนก็เห็นับอาการสั่นไหวของใบไม้เนี่ยเห็นทาาไม่ดีก็ต้องโกนบอกแต่ว่าน้ามันไหลแรงคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่สังเกตเพราะความโลภมันปิ ด, ป ด, ปดบังสติปัญญาเอาไว้ว่าอะไรจะเป็นอะไรก็ ถูกม้ค่นลงก็ทับตายหมดเจ็ดหรือแปดคนเนี่ยทีนี้เราก็ได้ยินข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างในกรณีที่เ้าเรียกว่าบาหรืออะไรเนี่ยที่มันเกิดไฟไหม้เพราะถังแก๊สเกิดระเบิด ปรากฏว่ามีคนตายหลายคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บเป็นจํานวนมากที่เรากลัวตัวเลขก็คือว่าคนอยู่ในนั้นถึงเจ็ดหรือเก้าร้อยก็มันนึกว่าอ้เข้าไปอยู่ได้ยังไงตั้งมากมายแกกองอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าถูกการกระตุ้นเตือนด้วยแรงราคะแรงโลภแรงปรารถนาที่จะเห็นที่จะฟังที่จะดมที่จะลิ้มที่จะชิม ที่จับกับต้องหมายความว่าจะรู้สึกกำนัดเพลิดเพลินในอารมณ์ในอารมณ์โลกว่าทั้งทั้งหมดเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็คืออารมณ์โลกที่พระเจ้าสงใช้ก็มาเยื่อหรืออมิตรก็คือวัตถุ ก, กาบ้างเครื่องผูกผูกพันคือการมบ้างพวงดอกไม้คือการมบ้างหรือว่าผูกพันธนาการคือการมบ้างเป็นต้น บางครั้งบางคราเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในต่างประเทศและส่วนใหญ่ก็คือบาพวกผับเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็คือถล่มกับไฟไหม้แล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายมากทุกคราวและคนจานวนหนึ่งก็เหมือนกับแมลงมาาที่บินเข้ากองไฟแกไม่สานึกสเนี ไม่ระ ม, มัดระวังก็เลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์นั้นเพราะโลกมันก็ค่องมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายคนทั้งหลายก็กลายเป็นเหยืออ่อเสียทั้งเงินตราเสียทั้งสุขภาพพลานามัยเสียทั้งเวลาแล้วก็มีไม่น้อยที่เสียชีวิต หรือว่าเหตุการณ์ที่เหมืองถล่มในด้านต่างๆเนี่ยเหมือนแร่บ้างเหมืองทองคําบ้างเป็นต้นที่มีทาวอยู่บ่อยๆคือถ้าเรามองใน ล, ลักษณะทางอารมณ์ก็แท้จริงไปเรื่องเดียวกันหมายความวาแรกก็ดีน้ํามันก็ดีหรือว่าพวกทองคําก็ดีก็คือก็คือสัตว์ก็คือรูปอ่ะคือรูปที่เขาสัมผัสแล้วเขารู้ว่ามันมีค่า ปรารนาที่จะได้มากๆแต่บางครั้งมันจะลืมตรวจสอบสังเกตหลุมจะลึกลงไปจะมีไม้จะมีเหล็กค้ำเอาไว้ได้วยวิธีการา ต, าต่างๆซึ่งบางครั้งบางครั้งก็ผ่านการเวลามาเยอะหรือแม้แต่สายไฟโอ ก, กาสที่จะช็อตซึ่งก็มีอยู่บ่อยในวัตถวงจรนี้มีอยู่บ่อย มันเราจะเห็นว่าเครื่องผูกพันใจของมนุษย์เนี่ยมันก็ดำรงอยู่ตลอดไปอะหรือว่าใจเรายอมจำนนหรือไม่แต่นั้นเองเราไม่ยอมจำนนเรามองเห็นโทษมันก็ลูกมัดรถึงใจเราไม่ได้เันาะคนในโลกมันก็มีตัวอย่างให้เห็นทนะั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่สลัดออกถอนตัวออก อาจจะเครื่องผูกมัดกระรึงใจเหล่านั้นอาจจะไม่ครบทั้งห้าหรอกแต่คนเดิได้ต่อสองสามอย่างนั่นก็บุญแล้วมันก็ทํานองแรกๆกระสีห้าเนี่ยอาจจะไม่ครบห้าหรอกเดยขอเชื่อกันรักษาบ้างเอย่าถึงกรรุนแรงโหดร้ายมากเกินไปเพราะทํมองงาอย่างนั้นแล้วก็สังคมหาความสงบสุขยากในฐานะที่เราเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเป็นสมาชิกคนสังคมเราก็ต้องอู้เฟือต่อสังคมบ้าง รสชาติบ้านเมืองบ้างเพราะการกระทําอะไรไปตามอํานาจของกิเลสเนี่ยโดยการบงการสั่งการขับใส่เ ส, กสืกใส่ผลักไสจนสูญเสียการทรงตั ว, วแรงของกิเลสเนี่ยมันกระทบกระตือนต่อสังคมมันกลายเป็นปัญหาในส่วนปฏิเจกชนแหละแต่ในสุดมันก็กระทบต่อครอบครัวต่อสกุลวงต่อสังคม ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมแล้วก็ทบเศรษฐกิจกัะทบอะไราตามมาเป็นแถวแล้วก็เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากซ้าแล้วซ้าอีกพูดกันยางไงก็ไม่ยอมเข้าใจบ้านเมืองจึงจริงๆแล้วก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการในด้านกฎหมายที่มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอ บ, บังคคเราเรียกร้องประชาธิปไตยจนเราหากรอบไม่ได้นะเรียกคณะตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่แสดงว่าประชาธิปไตยนั้นมีแล้วลักษณะก้าวร้าวรุนแรงด่าทอบงการสั่งการคนนั้นคนนี้คนโน้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นและในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าที่จะอาสาสมัครมาให้ประชาชนคัดเลือก เพื่อไปดำเนินการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตยปัะหานเราเนี้ยคือเราดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวามื่ก่อนนั่งรถผ่านที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นป้ายแผ่นผ้าติดไว้หรือข้อความต่างๆยนตีรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญนี้ประเด็ดการทำลายประชาธิปไตย ไม่ืมเลยว่ารัฐมนูลนี้เรียกว่ารัฐรมนูญฉบับประชาชนเป็นฉบับแรกแล้วก็มีข้าวจะไม่ผ่านแล้วก็มีการเดินขบวนเรียกร้องมีธงเขียวธงเหลืองอะไร ต, ต่างๆมากมายแล้วคนเหล่านี้เบนเนี่ก็มาคันเองก็คือพวกที่เดินขบวนให้รับรัฐมนูลเนี่ยบังคับคุมคู่ให้รับรัฐมนูล แล้วก็มันเดินมาบนขัข้นเองนั้นเราเจะเห็นว่าเราอยู่ภายใต้การบงการของกิเลสมากเกินไปแล้วก็เลื่อนไหลไปตามกระแสจนมีลักษณะของการโขนกระแสไปเรื่อยๆพื่อต้องการดีเด่นดังเป็นที่ยอมรับยกย่องของสังคมเพราะในเครื่อง ภูกพันใจห้าประการเนี่ยพระวุจาในทรงแสดงเป็นข้อความคือโครงสร้างของประโยคในลนักษณะเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนไอตัวตัวประธานประการแรกรับสั่งว่าเครื่องผูกพันใจห้าประการอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเป็นฉนทุกคนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมในนี้เป็นผู้ปราศจากความกำนัดความพอใจประาศจากความรักประาศจากความกระหายประาศจากความร้าวร้อนปราศจากความทะยอทยานในกาบคี่ลองสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสกิเลสประเภทกามราคานั่นแหละคือความกำนัดด้วยอำนาจของความใคร่หรือความกำนัดในสิ่งที่ใคร่มันมีกิเลสอยู่ภายใน ดิ้งกิเลสพระพิคอยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเติอครองเพื่อเป็นเจ้าคขอบเจ้า ข, า ข, ของแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ๆมันก็คือปัญหาตรงนี้ปัญหาโลกเนี่ยเพราะการที่จะปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความเพลิดเพลินเนี่ยแต่ละคำเนี่ยไอ้ที่มันเป็นอาการของกิเลส แต่ว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกันเราเห็นว่าถ้าอยู่ระดับของของความรักมันจะลงมนลละใหม่แต่ถ้าระดับความกำหนัดแล้วก็จะเพิ่มความรุนแรงและมันจะออกมาทางสายเลือดทางเลือดทางหน้าทางตาจะอาจจะออกมาที่กิริยาอาการแลวความพอใจกับความรักเนี่ยเราจะเห็นว่าจะนิ่มๆ น, นะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะไม่ค่อยแรง คือสามารถกำกับควบคุมได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ผิดศีลข้อาการเมยียแหละหรือไม่ไปหมกมุ่นอยู่ตามบาตามแห ล, ง ล, งลง่งเรองรมท้งหลายบวกเป็นพวกอบยมุขทั้งหลายเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดความกระหายและยุ่งอะไรเนี้ยมันใกล้ต่อตัญหาคือความกระหายเป็นอาการของจิตที่กระสันอยากและถึงจุดเดึอมันต้องตอบสนองถ้าไม่ตอบสนองแกก็ต้องลิ้นรน ดวยวิธีการต่างๆพ า, าถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาเพราะถึงจุดนี้เราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วจิตมันจะทะเยอทะยานยึนหลน่นพราท่านยกตัวอย่างลักษณะของกิเลสประเภทนี้ว่าเมือนเหมือนกับงูที่กินอาหาร จนอาหารย่อยไปหมดเนี่ยหรือถ้าความหิวเริ่มเสียดแทงแรงๆเนี่ยแกยังนอนอยู่แค่นั้นแหละแต่พอ เ, เริ่มเสียดแทงเสียแทงถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจิตที่ร้าเรอนแล้วก็เกิดดินน้นหล่นแล้วขยับขนนดละ่ะเริ่มขยับขนนดตอนตั้งแต่ความกระหายความกระหายไปเริ่มเริ่มขยับตัวละพอมาถึงความร้าเรอนก็ยิ่งขยับขยับเรื่อยละ พอมาถึงเป็นตันหาคือจิตมันลินล่ะกำกับมาอยู่ก็ศีรษะเริ่มจะสายสายมันก็เป็นอาการเขาเรียกปริเยสนาคือมีการสแสวงหาที่ในการสแสวงหาเนี่ถ้าปริมาณของกิเลสเรากำกับได้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของเรียกว่าอริยะปริยศนาคือสแสวงหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ไม่เป็นการละเมิดต่อตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็ไม่ละเมิดระดับศีลแต่จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้มันมันจะไม่แสวงหาในสิ่งที่จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลาดพลากก็ไปสู่นิพพานไปแล้วนะคือถ้าระดับนั้นไปนิพพานไปแล้วเดี๋ยวเราก็พูดระดับสัมมาชีวะ หรือคือตีกรอบของการสแสวงหาเอาไว้ให้อยู่ในกรอบของสมาชีวะเพราะว่าปัญหานสังคมเราเวลานี้ที่จึงปัญหาเรื่องสมาชีวะเป็นเรื่องใหญ่เรามีปัญหาเรื่องการช่อด่าช่ชอกงในเรียกว่าทุกระดับคือคือคื อ, คอไม่ใช่อยู่ระดับบนอย่างเดียวคือถ้าเราลองสังเกตว่าเช่นสมมุติว่าทำนาเนี่ย ทำมาถ้าตวงใส่ถังเราจะเห็นว่าถ้ากระแทกถังเนี่ยมันจะลงไปได้อีกแล้วก็วิธีตั้งตั้งถังอีกแล้วก็ใส่ไม่แรงคือเทลงเนี่ยจะเทลงไม่แรงเพราะฉะเสร็จเราไม้าปาสก็ถือว่าได้ถังละพอพีช่างเธอก็ใช่เราช่างโกงหมายความว่าน้ำหนักน้อยเป็นน้ำหนักมากเป็นน้ำหนักน้อย มันก็เริ่มกลงละเพราะกงทั้งกระบวชนั่นแหละคืออยไปโทษใครเลยนั้นแสดงเห็นว่าเป็นอาการของความระหายแล้วก็ความร้อนร้อนแล้วก็ลิร น, นทยอทยานอยากแล้ทิศทางการสแสวงหาแผลและสับสนอ่ะมันเป็นอนัติยาปริยศนาคือสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐแล้วก็ไปขึ้นไปเรื่อยๆทุกขั้นตอนเพราะนั้นมันจะเพิ่ม นี่ก็มูลค่าเพิ่มไปเปริ เ, ป เ, ปเร่พวกๆต่างๆเลยมาจากอะไรมาจากจิตชิบันดิ้นรนทะเยอดทะยานอยากจนไม่สามารถกำกับได้ไม่สามารถควบคุมได้ทีนี้ก็สรงแสดงในกันนี้ก็คือว่าปราศจากนถ้าปราศจากจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นพระอราหารแล้ว เพาถ้ายังไม่เป็นพระหันที่จริงพวกนี้ยังไม่ปราศจากเพราะอะไรเพราะเราก็อมองกลับไปที่สังโยชน์รเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่ที่เรากำหนัดลึกๆแล้วก็ละเมียดละไมเนี่ยมันก็คือรู ป, ปรคาคะอรู ป, ปรคาคะและเราเรียงลับสังโยชน์พวกนี้มันจะเป็นรูปปัจจานะรูปปัจจานมันก็คล้ายๆกับท่านอล า, าลา ร, ระบุตรามโครุตกะราบุตรามาบุตก็ท่านยังกำหนดยึด ต, ติดอยู่ในรูปปัจจานะรูปปัจาน แล้วท่านก็ไม่ยอมขยับขยื่นไปไหนก็แน่นอนท่า น, ท, านท่านตายไปแล้วท่านเกิดเป็นพรหมแต่พรหมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาดังการาการปราศจากความกำหนัดจริงๆพวกประเภทนี้มันต้องเป็นระดับของพระอารหันต์แต่ถ้าระดับพระนาคามีก็หมายความว่าเ็าเรียกว่าการมาาคาสังโยชน คือละความกำหนัดด้วยหน้าจขอาใครในเรื่องวัตถุหมายความว่ารู้เสียงกิริสัมผัสแต่ว่าชาเนี่ยมันเป็นสัมผัสทางจิตวันเราจริงเราจรึงเพราะว่ารู ป, ปราคารู ป, ปราคาไปอยู่ในข้อที่ที่หกกับที่เจ็ดของสังโยชน์เวลาเรียงตามลำดับการละได้ของภริยาบุคคล เรื่อสังโยชน์เบื้องสูงบคนร่ำรวก็ต้องเป็นพระหันแลาะในภาคทั่วไปเนี่ยเราเอาแต่ว่าทายังไงกำกับได้ก่อนหมายความว่าคงจะมีราคาอยู่แล้วก็มีความพอใจอยู่มีความรักอยู่แต่อย่าถึงกับกระสันอยากจนขาดการกำกับควบคุมหรืออย่าถึงให้เดือดร้อนจนถึงก็ดิ้นรนเพื่อ มุ่งตอบสนองความปรารถนาของตัวเองโดยไม่คำนึงนึกถึงในเรื่องต่างๆคือบางครั้งบางคราวเราพบข่าวบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ i อทีวีเนี่ยชอบนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับพระกับศีกาเซึ่งก็ถือว่าเป็นโทรทัศน์ที่แปลกเคชอบย้อนรอยในเรื่องความเสื่อมเสียของพระสงฆ์ แล้วก็สอบอดรหัสในเรื่องความเสื่อมเสียของพระสงฆ์แล้วบอกว่าเป็นโทรทัศน์เสรีนะฮะเป็นข่าวสารเสรีแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องนึกนะฮะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกพระก็ดีนะที่จริงมันเริ่มมาตั้งแต่น้นแหละเริ่มมาแต่คนรักษาทีนห้าเนี่ย เป็นอาสาสมัครที่จะฝึกปลือตัวเองโดยตั้งใจนะั้นตั้งใจให้มันถูกบูรณาหละมันโดยเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ทรงแสดงในแง่ของอัจฉกรรมที่เลวร้ายทรงเรียกคนที่ทำเช่นนั้นว่าป่าราชิกเรี ว, ว่าไพ่แพ้ว่าแพ้ก็คัดออกทำไง เลยไม่ได้คัดออกจากความเป็นพุทธบริษัทมันคัดออกจากความเป็นภิกษุเป็นสามเณรแล้วก็มีการนำตำรวจไปจับคิอกรมตำรวจเองเนี่ยสัม ง, งานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่ามันผิดกฎหมายข้อไหนเธอเธอไม่มีสิทธิ์ไปจับหรอกเธอเธอก็รู้อำนาจแกแกฐานะตำแหน่งของเธอ หรืว่ามีคนมาแจ้งความแล้วเธอไปจับไปจับได้ไงคือทํามอย่างนั้นคุณก็ไปจับไปจับคนที่มีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งหมดทีนี้ทังคนต้องเข้าใจสังคนต้องเข้าใจว่าพระนี้อแพ้คัดออกแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสารเราสู้ก็กิเลสมานานเอาก็จริงก็ยังไม่ปราศจากความกําหนัดแล้วก็กํากับไม่ได้ ถ้าเราทั่วไปเนี่ยปุถุชนทั่วไปก็ไม่มีใครปราศจากความกำหนัดอย่างสิ้นเชิงหรอกแต่ว่ากำกับควบคุมไว้ได้โดยการหลีกเล้นใช่บ้างโดยการหลบอารมณ์ต่างๆใบ้างโดยการไม่เกี่ยวข้องกับบัวกระตุ้นที่ให้เกิดการมราคาอะไระะต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องต้องฝึกปือไปเรื่อยๆ เพราะถ้าเราคาดใจกรอบที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องแยกให้ออกแต่สังคมชอบไปอย่างนั้นนะฮะสังคมไทยเราตั้งแต่โบราณมาเลยยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอชอบออมีนิทานเรื่องตาเทนยาชีทุกคนทั้งประเทศมีเยอะจริงๆนิทานพวกนี้่าตั้งบงนั่งกลงเล่ากันแล้วก็เล่าตาเทนยาชีนิทาน เราจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นความรับผิดชอบในกรรมของท่านพวกเหล่านี้เราจะมองด้วยความเห็นใจเข้าใจให้อภัยหรือแม้กระทั่งก็อุเบกขาเสียหรือไม่จําเป็นจะต้องอาศัยความชื่วของท่านมาเป็นเครื่องมือในการทําความชื่อของเราหรอกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่จะวิธีการแบบพุทธท่านท่า น, นเหล่านี้ที่จริงเนี่ยคือถ้าเอาขนาดปราศจากความกําหนัดมาก็สุดยอดแหละแต่อย่าลืมว่า เราเอาระดับบรรเทาไว้ได้เลยก่อนเอาระดับศีลระดับธรรมะระดับสมาธิเนี่ยได้ก่อนอย่างระดับธรรมะนี่คือสํารว์ในการเนี่ยสัาบรว์ในเรื่องเพศระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากและอย่าไปคิดว่าเรื่องกาลคือเรื่องเศษเมถุนอย่างเดียวการเกี่ยวข้องวัตถุทั้งหลายที่เราสัมผัสเนี่ยโลกของวัตถุทั้งปวงเนี่ยมันเป็นวัตถุกาลทนั้นแหละ มันไม่ใช่การแล้วก็หมาย ถ, ถึงการมีเพศสัมพันธ์มันก็มีค่าเท่ากันะหมายความว่าถ้าชาวบ้านไปไปล่วงละเมิดในทางเพศของคู่ครองคนอื่นมันก็เป็นการเมสนสมิชฌาจารย์นี้เธอชัดเจนเป็นทางแห่งนรกแต่ว่าท่านที่ที่ต้องบัตรปราะชื่อเมื่อท่านสืบไปแล้วก็ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าศีลแปดท่าน มันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการบิดกั้นระดับมรรคผลที่เป็นพระหรนอย่างในอคีคันโตปมัสสุท่านก็บอกนะคือบางคนมันก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้แต่ท่านเกิดสลดใจก็เกิดชําระสะสางตัวเองแล้วก็สึกออกไปนะสึกออกไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่นั่นก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้ ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแล้วการการปฏิบัติจริงๆค่อยๆตายไปแต่นี้ทรงแสดงระดับสมบูรณ์ระดับเป็นการสมบูรณ์แล้วก็รับสั่งว่าถูกรอนพิสุตั้งหลายจิตของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นแหละคือปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความประหารปราศจากความเราร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในกามนั้นยอน่องน้อมไปเพื่อ ความเพียรเครื่องเผากิเลสแล้คราวนี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆคำ ว, ว่าปราศจากไรระดับเนี้ยมันเป็นระดับระดับสีระดับธรรมะระดับสมาธิอยู่เพราะอะไรเพราะย่างต้อง้ายความเพียรความเพียรเพื่อขาจัด ก, กิเลสออกไปจากใจิตใจของตนแล้วเผากิเลสเพื่อเกิดความร้าร้อนแล้วก็ประกอบเนืองๆประกอบระทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของพิสษุนั้นน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อกอบห น, หนึ่งเพื่อการทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งุนั้นได้ถอนได้แล้วนะฮะถึงจุดหนึ่งคือถอนได้แล้ววิาที่บอกว่าพวกนี้อาจจะเรียกว่าเครื่องผูกพันใจหรึพันธนาการทางใจ หรือว่าเครื่องร้อยรัดหรือว่าเครื่องผูกมัดก็แล้วแต่จะเรียกมีชื่อที่เรียกมีเยอะทีนี้ประการต่อไปเนี่ยเ็นประเด็นที่สองคือในกระดิ่ที่สองบอกว่าอิกสูเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความพเยอทยาในร่างกายประเด็นมาเปลี่ยนนิดเดียวนะฮะ ระเด็มัเปลี่ยนิดเดียวอน น, อนนนท์เป็นการพูดถึงกามคือหมายความว่าวัตถุนอกจากตัวเราแต่ว่าในที่นี้ก็เน้นที่ตัวเราเองคือในรูปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ารูปคนข้างนอกมันอยู่ที่วัตถุกาไปแล้วแต่ว่าคนที่หลงรูปตัวเองยึดมั่นถือมั่นในรูปตัวเองจนบางครั้งบางคราวเราเห็นว่าการยึดมั่นถือมั่นในรูปตัวเองเนี่ยมันพร้อมจะเกิดกิเลสหลายเรื่อง และเกิดความกำหนัดเพลิดเพลิในรูปหลงตัวเองจะต้องบนปือวันก่อนเนี่ยดูอะไรอ่ะดูหลุมดารูปไปหน่อยโอ้หน้ากลัวเลยคนทำไมเนี่ยนี่คนที่อยู่ในแวดบงบันเทิงแล้วก็เป็นผู้หาคนก็สู่วงการบันเทิงเนี่ยเขายืนยันแต่มายังนึกว่าอาจจะมากไปหน่อยโดยทําไปนะฮะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยผ่านผ่านการทําสัญญกรรมมาแล้ว แล้วเขาก็เคยเห็นภาพเลทรรยทําสัญญจกรรมในเอ่คนแปลกคือยอมเจ็บปวดสารพัดเพื่อให้รู้สึกได้หลอกคนอื่นว่าอาตอนเองสวยเป็นที่ต้องการปรทาทะน้ำคนอื่นบางครั้งได้มีการเฉือนมีการอะไรแต่แรงมากๆเลยภาษา ท, ที่ดีทําให้ดูเลยแล้วทาให้นึกถึงเออว่าในความคิดที่แอบลงต ก, กว่านี้คือรูปธรรมนามธรรม มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการพัฒนาความดีขึ้นภายในจิตเท่านั้นเองเพราะยังไงยังไงเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไว้ทั้งทิ้งไว้ในโลกแล้ววันก่อนเนี่ยมันหวพระเขาออกอากาศทางกรมปชาสัมพันธ์เอธิบายแปลกยังไม่พบกันนานแหละพระรูปนี้ก็คงวันหลังเจอคุยกันหน่อย คือท่านบอกว่าคนที่ไปเกิดเนี่ยสัตว์ที่ไปเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าในปฏิจจสมบาทเนี่ยก็สแสดงอวิชาสังขารแล้วก็วิญญาณในนามารูปแบบมาทีหลังเดี๋ยวท่านบอกความไปหมดเป็นกายทิพย์ไปไปเกิดหมดเลยซึงถือว่าพอเกิดพระเนี่ยพรุ่นี้มันจะเริ่มอเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอธิบายแปลกดี มันคล้ายๆกับคล้ายๆความคิดในเรื่องพราหมซึ่งโอกาสอย่างนี้มันมันพูดเนี่ยสื่อสารง่ายแต่ว่ามันเกิดทำลายหลักการมันเกิดการทำลายหลักการที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาพระจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากมารดามีรดูมันดาบิดาร่วมกัน นะมันก็มาจากสุจิพวกซูเปอร์พวกโอวา่าโอวา่าอะไรต่ออะไรพวกไข่ทั้งหลายเนี่ยมันมันเป็นปฐมังกําลังโหติกะลาโหติอภูดังที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอิตากระสุนแ้วก็อ้างอิต า, ากระสุนเป็นไะงเรียกว่าตรงทที่พระเจ้าว่าก็กระหันชันใส่ดีนะฮะที่ยังนึกว่า ในแบดบงของพระศาสนาเนี่ยเราก็มีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกันเยอะแต่ก็ยากเหมือนก็บเอาประวัติของหลวงพ่อพุทธทาสมาลองอ่านดูความคิดในยุคเริ่มต้นของท่านเนี่ยล้วก็อ่านแล้วก็ชื่นชมที่ว่า ความคิดไม่ตรงนที่ ม, มาคิดเรื่องศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยเ อ, อ, เ อ, อโดยตัวเองไม่เคยรู้เรื่องความคิดหลวงพ่อพุทธธาสเพราะว่าไม่ไม่ได้สนใจอ่านอยู่ตามปกติมาจะสนใจอ่านเฉพาะคัมภีร์ที่เป็นกระแสหลักก็มีคนเข้ามาขอสัมภาษณ์เรื่องท่านพุทธทาสพอโอไม่รู้เรื่องเลยพอไม่เคยสนใจที่จะที่จะรู้นะฮะ เรื่องที่เราควรจะรู้เนี่ยมันก็คือพระไตรปิฎก ค, คืออัศกถาแล้วก็ <Yeah. S 1> เอกสารที่ใช้เรียนใ น, ร, น ร, ระดับนักธรรมเนี่ยระดับนักธรรมระดับเรียนต่างๆเนี่ยเราจะอ่านเอกสารระดับนี้ส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. เพราะงั้นเรื่องของคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างเงี้ยจะไม่เคยรู้หรอกเราไม่เคยสนใจเพื mm hmm. ่อเราคิดว่าถ้าท่านพูดตรงก็มันมีอยู่แล้วในพระไตรปิฎก แ้วท่านพูดไม่ตรงก็เป็นเรื่องความผิดชอบของท่านที่จะต้องรับผิดชอบหรือว่าเวลาเนี้ยเราจะพบว่าก็อยากจะอ่านอยากจะฟังความคิดเห็นเหมือนกันก็พวกเราเราก็คิดตรงกันคืจะเน้นที่การศึกษาการบิบััิและการเผยแร่ในเป็นหลักแล้วก็ แต่ทานไม่พูดถึงการปกป้องรักษาพระศาสนาซึ่งเป็นรุปธบรนิธานนะฮะแต่ว่ามันเป็นการมองคนละมุมเพราะเราเหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยเราไปแก้ไขกระดานนั้นไม่ได้เหมือนก็เหมือนกระการที่หกได้ทรงนิพน์เอาไว้ว่าแม้วังตั้งสงบจงเตรียมโลกไว้พร้อมสรรเพราะในศาสนาภั ย, ยมันได้เกิดขึ้นไปได้ ในประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยว่างเว้นเยศาสนาภัยเลยยุคพระอาหารหันต์อยู่ท้าก็แก้ไม่ได้าศาสนาภัยมาจากข้างนอกก็แก้ไม่ได้าศาสนาภัยมาจากข้างในบางทีก็เอาไปอยู่เหมือนกันดงั้นวิธีการเหล่าเนี้ยเรา ท่ายังไงว่ารักษาที่ว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไงล่ะเรื่องนี้ยตัวว่าอย่างนั้นแหละทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นการทายานอยากในร่างกายแต่ เ, เมื่อรูปมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็แสดงว่าตรงนี้ก็เน้นเฉพาะร่างกายเรามีความกำนัดความเพลิดเพลินความยึดติดในร่างกายตัวเองผูกพันอยู่กับร่างกายตัวเองเพราเราจะเห็นว่าคําเตือนในในบางสกุลเป็น พระพุทธเจ้าทรงใช้ร่างกายของปฏิสัขเนี่ยเป็นครูสอนปฏิสัะให้ปฏิสัขดูที่กายก็หมายความมากคือดูที่ตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่กายเนี่ยไปดูระดับป่าช้าระดับปัสุทธะในขณะเดียวกันร่างกายมันเสียแทงหรือทุกเวทนาจากโรคภัยที่เบียดเบียนท่านในขณะนั้นมันก็จะสรุปว่าสติปัฏฐานก็ใช้ไปสองเรื่อง เจอตัวที่ชัดเนี่ยมันก็คือตัวเอทนาเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนอนเจ็บอยู่นี่อาจจะดูกายมันก็ดูยากกันนะแล้วก็ส่งเตือนให้สติว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอกปัตวิงญาทิเศษสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินจุดโดเปตวิญญาโนโพราวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรีทั้งวะกลินกลรัง ก็จะเหมือนทอดไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ข้อนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตเนะว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษาภาษาที่สื่อสารกห้ชาวบ้านเข้าใจเลยจุดโดอาเปตวิญญาโนพูดวิญญาณเลยวิญญาณออกจากร่างเลยร่างการนี้ก็เหมือนกับทอดไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ร่างกายตามปกติท่านเรียกปุติปูติสันเดโหบ้างปูติกายโยบ้างแปลว่ากายเนะาย่านะฮะแปลว่ากายเน่าร่ังกายเราเป็นแหล่งที่รวมชี้ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆมากม า, ายกระบวการพิจารณาก็รู้ทีกายเราในทีงก็ดีกว่ารู้ทิกายคนอื่นนะพอรู้ทิกายคนอื่นบางทีมรู้ยากแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง เพราะเวลาให้ดูกายคนอื่นถ้าเราลองสังเกตวิธีการของพระเจ้าเนี่ยจะต้องใช้ระ ก, กายที่เป็นศพนะไม่ใช่ไปดูร่างกายที่เขาประดับประดาสวยงามอย่างนั้นบารมีต้องแก่กล้าแล้วดูไม่ได้อะดูจิตมันแปรผันเพราะั้นเราเราจึงพบวินัยเราจะชัดเจนนะฮะว่าวินัยที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ย คุยกับผู้หญิงเกินหกคาก็ไม่ได้อยู่ในที่รับตากับผู้หญิงสองต่อสองก็ไม่ได้รับผูกกับผู้หญิงสองต่อสองก็ไม่ได้ตลอดถึงห้ามไว้ในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแล้วก็แสดงว่าถ้าภ้ากามถากาวัตถุถ้าพวกวัตถุกามข้างนอกเนี่ยจะจะมองยาก เพื่อเรียนแนวของอสุภกรรมฐานจึงสอนให้ดูซากสุขัึงหมดสภาพคือไม่มีความเป็นุขผู้หญิงผู้ชายปรากฏแล้วนะจึงไปดูประสบจัใหม่สดอยูไ่ไม่ได้ดูไม่ได้จิตแปลผันได้ง่ายจิตมนุษย์ยอย่าไปเล่นนะนะอย่าไปเสี่ยงกับมันเพราะเราจะเห็นว่า ความติดในกายของมนุษย์เนี่ยมันจะติดเยอะมากหลงไหลในรูปร่างกายนะครับบางคราวแก่แล้วก็พูดว่าแก่ไม่ได้เพราะฉะ้นพอใจถามอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ก็จะไม่พอใ จ, อ จ, อใจแต่มาว่าที่จริงดีนะมันเป็นอนุสติอยู่พูดเรื่องอายุนี่ที่จริงมมันเกิด อ, อนุสติ ไอ้เช่นมาก็ปีนี้ก็ถือว่าเจ็ดสิบสามอย่างตามปกติพอเลยวันที่ยี่ห้าเลยเราจะเพิ่ ม, มาอายุลักมันก็อยู่ในปีนั้นแนหะปีที่ปีที่เท่านั้นแต่เปนเต็มก็ในวันที่ยี่ห้ามีสามแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยว่าชีวิตเราข้างหน้าจะสั้นมากถ้าเราอยู่แปดสิบก็คือก็คือแปดปี อต่อเก้าสิบก็คือสิบแปดปีสิบแปดปีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ช้าอะไรแค่เดียวมันก็ไปแล้วเมื่ก่อนไปเจอลูกศิษย์เข้าเป็นรองศาสตราจารย์ไปด็อกเตอร์ไปรองศาสตราจารย์สอนรองอธิการบดีมาไดรลามนะก็ถามเขาวอยายุทธอะไรแล้วเ็าบอกหกสิบเอ็ดแล้วก็นึกเออเขาเจอเขาไปเด็กๆอยู่ไม่กี่วันนะ มันก็ห่างกันไปจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็เจอไม่เจอไม่บ่อยแต่ก็เจออยู่แต่ไม่เคยถามได้นั่นเองเรถามก็ปรากฏโอ้หกสิบเอ็ดแล้วพระธรรมเทศนาเร่าร่างกายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็โอกาสแตกดับเนี่ยมันเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเราไม่มีนิมิตไม่มีกําหนดหมายในการแตกดับของร่างกายเพราะงั้นถ้าทําให้จิตปราศจาก ความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนความทยอทยานอยากในร่างกายได้เนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนให้บุคคลพยายามอาศัยร่างกายซึ่งมันจะแตกดับเมื่อไรยังไม่รู้เลยแล้วก็น้อมไปเพื่อความเพียรที่จะเผากิเลสตรงนี้ใช้คำคำจริงมากนะฮะคืออาตาปีสัมปชาโนเนี่ย ด้วยความเพียรที่เผากิเลสให้มาลายหายไปเลยคือใช้ไฟในกรณีของการเผาทำลายคือไฟเราจะใช้เยอะนะเราลองนั่งเห็นว่าเถ้าใช้ในกรณีของกิเลสก็คือเผาผลาญเกิด ค, ความประร้อนแต่ถ้าในกรณีของธรรมะก็เผาผลาญความเลวร้ายเนี่ยมันมอดมาลายไป เราเลยก็ได้ยินราคั ก, กินาโตสา ก, กินามะขึ้นนะก็แสดงว่าเรียกกิเลสบั๊กไฟอ่าตัวนี้เรียกเรี่กความเพี่ยนบัไฟแต่ว่าโดยความหมายคือไฟเนี่ยมันมันมันความหมายมันเยอะถ้าเราเรียกในกรณีแสงสว่างก็เป็นกุศลคือหมายถึงปัญญาแต่ถ้าไฟดับมันก็หมายถึงอวิชชาหมายถึงความมืดเพราะว่าพวกนี้มันเป็นรู ป, ปธรรมที่นํามาสื่อนํามาสื่อทําความเข้าใจเรื่องธรรมะ ก, กันได้ วันเมื่อท่านท่านน้อมไปอย่างนั้นก็จะประกอบเนื่เงน mm hmm. แล้วก็ทำติดตอ่อมันก็ขัดเกลา่างที่บอกขัดเกลวไปเรื่อยๆส่วนยกตัวอย่างถึงขัดเกลวพ์พรชนะทองเหลืองสมัยโบราณเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระชนะทองเหลืองก็มีอยู่เยอะแล้วแล้วก็สอนพระก็ดูยังไงคือขัดไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าพูดพราดจะ สะอาดหมดสนิมไปเลยก็ไม่รู้แล้วก็ขัดไปเท่าที่ขัดได้ก็ขัดพยายามขัดไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดปราทจากจริงๆคือปราศจากความกำ น, นัดในกายแล้วก็แสดงว่าได้ได้สลัดหรือได้ทําลายเครื่องผูกพันใจประการที่สอ ง, งในที่นี้สงสัยคำว่าถอนนะฮะเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ตะปู เป็นการดึงจิตออกมาคล้ายๆกับจิตจะมาถูกออกตรึงเอาไว้กับกายออกตรึงเอาไว้กับวัตถุ ก, กายแต่ ว, ว่าทรงใช้คำว่าผูกมัดหรือผูกพันก็เรียกมัดรึงเอาไว้ได้กันมันก็ถอนถอนจิตขึ้นมาจากอารมณ์เหล่านั้นปัญญาเราเกิดเย็นเมื่อไหร่เนี่ยมันโอกาสที่จะถอนมันก็ทําได้ง่าย แต่จากใดที่พลังปัญญายังไม่แกร่งพอก็ต้องพยายามใช้หลักการรับคันเหมือนเดิมนะคือสติสัมปชัญญะความเพียรในการประคับประคองจิตในการนำพาจิตเข้าสู่ความสงบไปตามลำดับและขั้นต่ายซึิงธรรจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผ่บูรในธรรม ยัมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี